ท่ามกลางแดดร้อนแน่ว่าจะเหนื่อยเพราะทา ง, งานออกแรงกายหรือว่าแม้จะเสพกินอาหารที่รสชาติไม่ดีเลยแต่ถ้าใจเรานะกลังมีความเพลิดเพลินยินดีนะใจเรากำลังมีความสุขเช่นหลอกกำลังกลังกินอาหารอยู่กับคนที่เรารักนะ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 ปวดแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะช็อตเนี่ยก็ให้กินยานั่เข้าไปปรากฏว่า 80% อร์เซนของคนที่ได้กินยาราคาสองเหห้าสิขาบอกว่าความปวดลดลงส่วนคนที่ได้ยาราคาสิบเซนมีแค่ 60% สอร์เซนที่บอกว่าความปวดมันลดลงและที่น่าสนใจคือว่ายานั้นมันคือแป้งมันไม่ใช่ยาจริงๆ ใช่ไหมแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยที่เขาภาษาฝรั่งเรียก p l a u s i b l เนี่ยเมื่อมีความเชื่อว่ายานี้เป็นยานที่ระงับปวดได้มันปวดกายก็กลายเป็นบรรเทาลงไปความปวดลดลงอาทิตย์ละลงไม่ใช่เพราะว่าความปวดทางกายมันลดลงนะความปวดทางกายเป็นเหมือนเดิมแต่ใจเนี่ยรู้สึกว่าปวดน้อยลง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 โทษก็จะลดลงวิธีการคือว่าให้ให้ให้คุกเข่าแล้วก็เอามือเท้าพื้นนะแล้วก็อยู่ในอยู่ในห้องมีม่านกั้นแล้วก็มีมีหลอดเนี่ยมีท่อเนี่ยยื่นลงมาตรงกลางหลังแล้วก็ปล่อยน้ำกรดนั้นลงไปสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยไม่ได้บอกคือมันไม่ใช่น้ำกรดมันคือน้ำธรรมดา แต่ปรากฏ ว, ว่าพอปล่อยน้ำน้าลงไปเนี่ยเสียงร้องโอดโอยจะเป็นแถวนะในเวลาไม่ถึงนาทีสองนาทีร้องโอดโอยจกนกระทั่งถึงห้านาทีต้องหยุดและปรากฏ ว, ว่าไปดูคนไปไปเช็คร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันมีผื่นเหมือนกับเลยลมพิษใหญ่บ้างน้อยบ้าง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 สืเนื่องจากการที่มีเชื้อเข้ามาที่เป็นตัวแปลปลอมและสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากใจนะฮะอันนี้หมายถึงไม่ใช่สารนะแต่หมายถึงกรณีของการทดลองที่ว่าอาจารประเวศวสีเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนไข้คนนึงเนี่ยต้องนอนเปลมาตัวซีดไม่มีแรงนะฮะขณะต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเปลมาเป็นผู้ชายการรังควานชาดีตัวซีดไม่มีแรง อาจารย์ประเวก็เลยคุยแล้วก็ซักถามคุยกับเขาสักพักสอดถามอาการก็ไปคุยกับแพทย์อินเทร์ที่มาดูงานมาศึกษาว่าไม่เป็นอะไรหรอกคนไข้คนนี้นะพยาติปากขอทำให้เลือดจางกินเหล็กก็จะดีวันดีคืนผู้จบอัจารย์ปก็หันไปที่คนไข้บอกว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นได้ยืนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณหมอ ถ้ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปลนี้แล้วละ่ะนะเข็นเปลไว้เลยแรงมาจากไหนฮะที่จริงแรงมีอยู่แล้วอ่ะแต่พอตัวซีดก็เลยเกิดความกังวลล่วงหน้าว่าสงสัยจะเป็นเลวคีเมรละมัง้งสงสัยจะเป็นปอดอะไรจะเป็นมะเร็งละมัง้งพอคิดแบบนี้นี่ใจเป็นสุดเลยพอใจสุดเนี่ยแรงก็ไม่มีจริงๆนะแรงคนธรรมดาซึ่งมัน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 เช่นชิมแปนซีอุรังอุตังกอริลลาทําได้แต่ลิงกังลิงสมัทําไม่ได้แล้วก็ยังเชื่อด้วยว่าปราวานหรือว่าปลาโลมาก็กจะทําเช่นนี้ได้แต่เนื่องจากมันไม่มีมือก็เลยยังไม่รู้จะทดลองยังไงเพื่อที่จะให้มันถ้ามาดูกระจกแล้วมันสามารถเทียจบอกได้ว่าไ อ, ไอ้ปุ่มสีแดงที่อยู่บนหน้าผ่านี่คือปุ่มที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองไม่ใช่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 มืดไปหมดและกําแพงก็ยังมีสีเหมือนเดิมเจ้าของบ้านก็เลยเอาป้ายมาปักใหม่คราวนี้พู้จ่ายมาหนักแน่นว่าผู้จเจริญย่อมขอรพทรัพย์สินของผู้อื่นะเริ่มทีแรกขอร้องนะฮะตอนนี้บอกว่าผู้จเจริญย่อมขอรพสิทธิของผู้อื่นสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นป้าย น, นั่นก็หักวันลุกขึ้นกรธ ตอนนี้ปิดใต้ใหม่อ้างกฎหมายเลยจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ฉีดสีพ่นสเปรย์บกนกำแพงเรียบร้อยนะป้ายนี้ก็ไม่เหลือเพราะเจ้าของเนี่ยพยายามพูดแล้วดีแล้วพูดให้ดีแล้ว ด, ดีแล้ ว, ลวก็ไม่ไม่ได้ผลนะเริ่มโมโหหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเรยพราะแกต้องมาคอยทาสีทับอ่ ลอยสเปรย์นะั่นอยู่อยู่เสมอเสมอแกโมโหตัวรงทั่งไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ววันหนึ่งแกก็ถือกระป๋องแล้วก็เขียนบนกำแพงนั้นอักษรตัวโ ต, ว, ต ว, ว่าใครเขียนเป็นหมาตัวลงใครเป็นหมาตัวแรกความโกรธฮะโกรธพูดดีๆก็แล้วไม่ได้เรื่องก็ต้อง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 ว่าเสียงที่เขาพูดมาลบกวดนะแต่ก็ไม่หยุด น, นะเดี๋ยวก็มีเสียงโทรศัพท์มาเดี๋ยวก็กินนะดังจุบจับจุบจับหนังซึ่งกำลังเป็นหนังที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกปรากฏว่ากระเจิงเลยฮนะดูไม่รู้เรื่องเพราะความโกรธความไม่พอใจแล้วแกทำไงฮนะพอแกโกรธ ม, มาถึงขั้นหนึ่งแกลุกขึ้นมาเลยนะ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 ทำไมฮะในเมื่อความทุกเนี่ยมันกัดกร่อนจิตใจความโศกความเศร้าหรือความโกรธมันกัดกร่อนจิตใจไทยทำไมเรายัางคลุ่นคิดต่อมันเพราะเราเผลอฮะเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการความรู้ตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราปลดเปลื้องใจจากอารมณ์ได้และถ้าเราไม่รู้จักปลดเปลื้องใจจากอารมณ์เนี่ยเรื่องเล็กน น, น้อยเนี่ย มันก็จะกลายเป็นการปรุงแต่งให้เป็นสายยืดยาวเพียงแค่มีสือไม่กี่ไม่นบนใบหน้านี้ก็นอนไม่หลับหรือฆ่าตัวตายก็ได้ถ้ามีนะฮะมีเดี๋ยวนี้เราจะพว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้มีเรื่องที่เราเห็นไม่มีค่าเราเรียน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 จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ไปขุดคุยขึ้นมาปรุงแต่งจากเรื่องที่เป็นเล็ก ๆ, น, ๆน้อยเนี่ยก็ปรุงแต่งกันเป็นเรื่องใหญ่มันเหมือนกับสเก็ดไฟจากไม่ขีดเนี่ยหรือว่าจากสเก็ดไฟที่กระเด็นลงมาปลิวมาจากจากเขาลูกอื่นอาตมาอยู่อยู่ปา่าเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์คือว่าบางทีเขาลูกไกลๆเนี่ยเขมีไฟลุกขึ้นมาแล้วก็สเก็ดมันก็ปลิวมา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 คนเราเนี่ยพอใจเนี่ยมันไปต่อต้านมันผลักสายมันขัดขืนแล้วเนี่ยความทุกข์มันท่วมท้นเลยแล้วเราก็ไปคิดว่าเป็นเพราะไอ้สิ่งที่เราประชิญอยู่ตอนหน้าแต่ไม่ใช่นะแต่เป็นเพราะใจของเราอย่างตัวอย่างที่สมายุทที่คนคนไข้ที่เขาที่เขาเป็นแค่พยาติปากคอแล้วเขาตัวเขาเสีดเนี่ยเขาอ่อนแรง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 ถ้าเรามีสติรู้ทันนะเราก็จะเลิกบน่นเลอกตีโพยตีพายและเมื่อ น, นั้นเราก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากทำได้สบายมากแต่ใจที่บ่นก็ปลอยกระแป ล, ป ล, ปลว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ยุติธรร ม, ม am, ทำไมต้องเป็นชั้นทันทีที่คุณมีความสื่อแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณเจอแล้วก็ตามคุณจะถูกทันทีแม้สิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามและเราก็เผลอไปนึกว่า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 เวลายุงมันมาแตะที่ตัวเราเนี่ยเราเราจะเผลอมีปฏิกิริยาขยะขย้งหรือว่าความรู้สึกกลัวขึ้นมาว่ามันจะว่าเราจะเจ็บและพอมันทิ้งไปเจ็บจริงๆนะฮะแต่ถ้าเราสึกว่าเออมันมันมันน้อยกว่าเข็มฉีดยาซะอีกเราไม่ปฏิเสธไม่ผักสยัยเรายอมรับมันวางใจเป็นกลางบางทีลืมไปเลยนะฮะ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 ยิ่งไหวยิ่งเหนื่อยแต่เขาได้สติขึ้นมาเขาสึกว่าองใสไม่ไหวแล้วเขาวางเลยฮะก็ปล่อยเลยตอนนั้นก็จะคิดอยู่ในใจว่า อ, อาจจะต้องตายแล้วก็ได้พอเขาวางเนี่ยพอเขาสงบลเลยนยฮะแล้วปรากฏว่าทีลน้อยทีลน้อยเนี่ยเขาก็พอตัวเองเนี่ยค่อยๆเข้าใกล้ฟังเพราะว่า พอไปถึจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคลื่นพาเขาเข้าฟังแล้วเพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนที่แร ก, กไปช่วยเขาช่วยไม่ได้นะะเพราะว่าวิ่งไปยิ่ายน้ำไปช่วยเนี่ยก็ยิ่งตีห่างออกไปจนทั่งเพื่อนต้องอต้องอต้องตีกลับต้องไหายกลับแต่พอรู้ว่าเขาเค่อยๆเคลื่อนกลับเข้ามาเนี่ยก็เข้าไปช่วยได้เ <flashes> ขาว่าตอนนั้นเขาสงบมากแล้วมีคนหนึง่งเขาไล่ฟังนะตอนที่เขากําลังขับรถบนทางด่วนเนี่ยอย่างเร็วนะฮะ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 และของขันหลังซึ่งแรงซึ่งเร็วกว่าเนี่ยเขาไม่น่ใจล่าเขาจะรอดหรือเปล่าตอนที่เขาตอนที่เขารู้รูดตั ว, วเขาจะไม่รอดเนี่ยเขาสังเกตว่ามือที่ของเขาที่กำพวงมาลัยเนี่ยมันกำแน่นมากแล้วเขาได้คิดขึ้นมาที่ว่าเขาเนี่ยเครียดแบบนี้เกรงแบบนี้มาเกือบทั้งชีวิตแล้วถ้าถึงจะทยตายฉันเขาตายแบบสบายสักที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 จะไปผักสายมันทําไมเราก็ยอมรับมันตามที่เป็นจริงคราวนี้การรู้ใจประการต่อมาคือการรู้รู้วิธีคิดของเราซึ่งคล้ายๆกับอันแรกแต่ต่ำมาอยากจะพูดมาจอดจงน่อคือการรู้วิธีคิดวิธีคิดที่เกิดขึ้นกับคนส่วน่คือการโดยเพราเวลาเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือการมองอะไรแต่อะไรในเชิงลบแล้วคนเราเดี๋ยวนี้มองในเชิงลบเยอะ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 เราไม่มีความสุขเพราะเราไปอยากได้ชิ้นที่คนอื่นเขามีกันแต่เราไม่มีอันนี้อรตมาถือว่าเป็นการมองในเชิงลบเหมือนกันนะฮะคือเชิงลบในความในความหมายที่คุณไปสนใจนะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณยังไม่มีหรือเคยมีแต่หายไปหรือสิ่งที่อาจจะไม่เ perfect นะและตรงนี้ทําให้เราไม่สามารถจะพอใจในสิ่งที่เรามีได้เลยเพราะเราไม่เคยใส่ใจ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 โกรเต็มเป่าแต่ไม่บอกก็บอกเมื่อนคนบอกว่าไม่บ้าฉันไม่บ้าเนี่ยคือเราไม่รู้ทันความโกรธนะฮและแม้แม้และเมื่อแต่ถ้าเรารู้ทันรู้ทันมากขึ้นเราจะรู้ว่าไอโกรธนี่มันไม่ใช่เราเห็นกระทั่งว่าทุกเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายและใจแต่ไม่ใช่เราเวลาคุณเดินทําอะไรเหนื่อย น, นนะแดดร้อนเนี่ยคุณร้อนนะ คุณหงหุดหงิดแต่เมื่อมีสติรู้ทั้งความร้อนซึ่งเป็นเวทนาความหงหุดหงิดซึ่งคองงือเรื่อจิตตสังขารเนี่ยหรืองเล่พสราง่ายคืออารมณ์เนี่ยพอรู้ทันเนี่ยทีแรกมันวางได้แต่ต่อไปรู้มากๆเข้ามาๆเ ข, า, ม า, ม า, ขาก็จะเห็นได้ว่าไอ้ที่ร้อนไอ้ไอ้ที่ร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องกายร้อนไม่ใช่เราไอ้ที่หงหุดหงิดเนี่ยมันเป็น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 ฉันเนี่ยมันเจ็บนะแต่ถ้าคุณมองว่ามีดบาดนิ้วเนี่ยความรู้สึกต่างกันไอ้ที่เจ็บเนี่ยมันนิ้วเจ็บอันนี้พูดแบบภาษาง่ายๆนะที่เจ็บจริงจริงนิ้วมันไม่รู้สึกแล้วฮะเวต่เวทนาคือสิ่งที่จิตรับรู้แต่ที่เจ็บเนี่ยคือนิ้วเจ็บนะแต่ว่าฉันไม่เจ็บด้วยหรือว่านิ้วเจ็บนะแต่ว่าจิตไม่ไม่เจ็บด้วยเวลาร้อนเนี่ย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 ไม่ใช่เฉพาะกับกายกับใจแม้กระทั่งกับสิ่งของภายนอกล้วก็ยิ่งเห็นเช่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราเผลอไปอยึดมันเป็นมันเป็นของเราเมื่อไหร่เราต่างหาที่กายเป็นของมันไปทันทีเพชรโหยอยู่ในกองไฟไม้ไฟไม้บ้านเพชรมันของเราของเรายึดติดว่าเป็นของเรายอมไม่ได้ต้องวิ่งเข้าไปในกองไฟตายเพื่อมันตกลงมันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันนะ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 ทพุทธศาสนาเรียกวันนิภพานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการรู้ใจนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ชักชวนให้เรารู้ใจมากๆเพื่อที่เราจะได้รายทุกข์หรือไกลทุกข์อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็คิดว่าได้ได้เวลาแล้วก็คงยุติการบรรยายได้เพียงเท่านี้